ธรรมดาธรรมดาตั้งใจเอาจริงๆตั้งแต่ตัวนี้มันรบกวนแล้วคุยเลยตัวเข่าเข้ า, ขานี่มันนี้มีลูกศิษย์ลูกหามาจากที่ต่างๆมารวมกันด้วยนัก ศา ส, สนาพระเมตตาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อมโยงถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ได้มีวความคุ้นเคยสนิทสนมไว้วางใจกันได้เคื่อถือกันได้ไม่มีอันใดที่จะเกินทำ ซึ่งเป็นเครื่องสมักสมานได้ให้ยิ่งกว่าธรรมนี้ไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่ส่งเสริมสิ่งที่ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้นเป็นธรรมชาติที่เชื่องโยงสิ่งที่เล้าลานต่างๆให้กลับเป็นของดีใช้ได้ ายาก็เป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาไม่มีคำว่ายาเครื่องทำลายนอกจากจะทำลายสิ่งเป็นพิษเป็นภัยแก่ธาตุขันธ์ร่างกายและจิตใจของสว์โลกเท่านั้นฉะนั้นในขั้งพุทธการวิือ ก, ก่อนขั้งพุทธการก็ตาม ตามที่เราได้ทราบในธรรมาภิษ์่างพระประเจกพุทธเจ้าคำว่าพระประเจกับพุทธเจ้านี้ไม่มีเพียงพระองค์หนึ่งพระองค์เดียวมีจำนวนมากมายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีสาวกตั้งมากมายอย่างนั้นเองแต่คำว่าสาวกนี้หมายถึงผู้ที่ได้สะดับรับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วไปพระติปฏิบัติ สนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพานขึ้นมาในใจของตนกลายเป็นพระที่บริสุทธิ์เรียกว่าพระราหะพระอรหันต์ส่วนพระพเจอการัระพุทธเจ้า น, นั้นทุกทุกพระองค์ไม่ไม่มีการทำเหนียบศึกษาจากใครต่างองค์ต่างปฏิบัติเป็นความเข้าใจภายในตัวเองเรียกว่าสยัมภู คือรูดขึ้นมาโดยลําทังตนเองด้วยกันทั้งนั้น อ, นอย่างภูเขาเช่นอย่างภูเขาชิษะกูเป็นต้นเคยมีพระพระเจ้าพระพุทธเจ้ามาอยู่สถานที่นั้นทีละสี่ร้อยห้าร้อยพระองค์นะทำไมท่านถึงบินพระบาทได้ตามตำรานั้นว่า พระบาเจกับพทธเจ้าท่านเหาะได้ท่านจะไปใกล้ไปไกลที่ไหนท่านไปได้ทั้งนั้นผิดกับพระหันทั่วทั่วไปพระหันจะเหาะเออร์อเดิอนอากาศได้เป็นบางองเมแลอมีคุณสมบัติที่เป็นเครื่องประดับความบริสุทธิ์ของท่านแตกต่างๆกันไป เช่นพระหันองค์ที่ได้ยิชาสามคือบุพเพนิวาสานุสติยานรรุชาดย้อนหลังหนหลังได้จตุ ป, ปาตยานรู้จักความเกิดความตายของสัตทั้งหลายได้อาสะวะขยายานรู้ความสิ้นแห่งอาสะวะของตนนี่เป็นประเภทหนึ่งแห่งพระหัน พรพิญโยผู้ได้อภิญญาหกมีคุณสมบัติหประการเป็นเครื่องประดับความบริสุทธิ์ของท่านหรือเป็นเครื่องประดับองค์ท่านที่เป็นประหันต์จำพวกนั้นคือจักษุญาณสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างไกลจะมีกำแพงกั้นอยู่กี่ชั้นมีภูเขากั้นอยู่สักกี่ลูกก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรค ต่อจักรสุยานของท่านจะใต้ดินหรืนบนฟ้าอากาศที่ไหนๆท่านสามารถส่องมองทะลุไปได้ถึงนรกถึงสวรรค์มองไปได้หมดทั่วทุกทิศทุ ก, ท, กทางเห็นได้ชัดเจนยิ่งกว่าที่เราเห็นด้วยตาเนื้อนี่เรียกว่าทิพจักรสุคือจักรสุยานทิพโส สามารถที่จะฟังได้ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งเสียงคนเสียงมันเทวบุตรเทวดาเสียงเปรตเสียงผีที่ร้องครางหยือลื่นเลึงมันถึงอยู่ตามกรรมของตนสามารถได้ยินชัดเจนไม่ว่าใกล้ไกลไม่สําคันนี่เรียกว่าทิพโสตคือหูทิล่วงเลยหูมนุษย์ทั้งหลายไปได้มากมายที่ประจักษ์สูเห็นได้ไกล ที่ไม่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถจะมองเห็นได้แม้แต่กล้องก็เถอะอันนี้ยิ่งกว่ากล้องนั้น อ, อีกอิทธิฤทธเหาะเหินเดินฟ้าได้คือดำดินบินบนได้คนคนเดียวสามารถที่จะทำให้เป็นหลายคนก็ได้ีอิทธิฤทธ มนโนมยิทธิฤทธทางใจแสดงภาพต่างๆได้ทั้งนั้นเช่นอย่างพระจุลบรรทกแต่ก่อนก็ว่าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเป็นน้องชายของพระมหาบรรทกซึ่งเป็นพระหรันจุลบรรทกนี่เรียนคาถาภาษาเรียนคาถาย่อๆแค่ข้อมือเราเนี่ยแค่นิ้วมือเราเนี่ย เรียนทั้งสี่เดือนละโชฮารังละชางฮารติมีเท่า น, นั้นสีเ่เดือนไม่สำเร็จคือไม่ได้พอถึงวันเขานิมนต์ให้ไปต้องการพระทั้งวัดไปรับทานเขาวันนั้น มหาบรรทกซึ่งเป็นพี่ชายนี่คงจะทรมานจิตใจของน้องชายถ้าว่าจะเป็นความโกรธความเครียดแค้นอะไรอย่างนี้พระอรหันต์ท่านไม่มีอย่างนั้นท่านมีเหตุผลของท่านและบรรดาพระทั้งวัดนิมนต์หมดเลยเยีนพระจิรบรรทกคงเดียวไม่นิมนต์พระตงานนี้พอไปถึงสถานที่ชันแล้ว เวลาเขาจะใส่บาทถ้าพระเจ้าทรงปิดฝาบาทบอกว่าพระในวัดยังขาดอีกหนึ่งองค์ว่างัันาจะขาดองค์ไหนพระก็มาหมดแล้วไม่หมดว่างมันลแล้วยังองค์ไหนเลยถามพระทาพระมพระมหาบันทบซึ่งเป็นพี่ชายตอนนั้นเป็นทาตุเทศ เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องการนิมนต์พระก็บอกว่ายังขาดองค์หนึ่งจริงพระเจ้าข่าขาดองค์ไหนทั้งทั้งที่พระองค์ทรงทราบแล้วหาดองถามอย่างนั้นว่าขาดพระจุลวรบถกถ้าอย่างนั้นให้ไปตามเอาพระจุลวรบกมาเดี๋ยวนี้ก็ให้คนไปตามพอไปถึงวันแล้วเหตุที่จะพระจุลบัรบกจะได้ความดิีความดีขึ้นมาก็เพราะพี่ชายทรมานนั่นเอง ว่าถ้าทั้งวัดถูกนิมนต์ไปฉันที่บ้านหมดเราคนเดียวนี้คงโง่เง่าเต่าตุตนเหลือประมาณที่พี่ชางเราจะรับแต่เข้าในงานฉันได้เรานี้เป็นคนหยาบคายลามกแล้วก็มีแก่ใจกําหนดพิจนาสมาธิในเวลานั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในขณะนั้นเลยนี่พอบรรลุอรหันต์ขึ้นมาแล้วที่นี่ใช้แบ่งฤทธิ์พอไปคนเข้าไปนิมนต์ ในวัดว่ามีพระรูปเดียวที่ไหนได้านมีพระเป็นพันองค์ฮถามนี่ชื่อว่าไงนนี่ก็จุลบรรกพบนี่ก็จุลบรรทพบมีแต่พระจุลบรรทพบบางบางองค์กวาดลานวัดอยู่บางองค์เดินจงกรมบางองค์นั่งสมาธิภาวนาบางแห่งสนทนากันอยู่ด้วยอัด้วยธรรมมีแต่พระเต็มวัดเต็มบ้าเขาต้องกลับไปบอกว่าไม่ใช่มีพระองค์เดียวมีแต่ ม, ต ม, มาาีแต่พระเอมวัดเต็มบานพอถามว่ไหนก็ว่าแต่พระจุลบรรทพบหมด ให้ทำมาจริงเปงั้นพระวิชารับสั่งอยากทำอย่างนั้นไปนี้เมื่อถามว่าองค์ไหนเป็นพระจุลบรรทกันเพราะองค์ไหนที่ตอบขึ้นมาอาตมาเองพระจุลบรรทกคือเราเองพระจุบ ด, ดวงให้จับชายกีวรเดี๋ยวนั้นหรือจับชายสบงเดี่ยวนั้นแล้วพระทั้งหลายนั้นจะหายไปหมดวางเงินพระวิชารับสั่งก็กลับมาอีกมาก็ก็ยังว่างนะแหะเต็มอยู่ทั้งวัด พอถามงั้นแล้วก็จับชายสบงปั๊บแล้วผ้างั้นหายหมดเข้าไปนี่ใครก็ทราบแล้วที่พี่ชายก็ยิ้มมาเออมีน้องชายเราได้สําเร็จอะไรถ้ารหัสแน่นอนแล้วสมกับเราตั้งใจทรมานน้องชายเราให้เป็นคนดีนักเพราพระเจริวบัลตกเป็นธรรมหาบัลตกเป็นพระรหัสจะมีความอิจฉา พ, พยาบาทไม่ได้ไม่มี นอกจากจะทําเพื่อเหตุผลคือเพื่อนน้องชายโดยเฉพาะนีน้่เรียกว่าเป็นมโนมยิทธิเป็นฤทธิ์ทางจิตใจกําหนดจะหักจะห้ามอะไรต่ออะไรอย่างนี้ได้กําหนดมีให้ปีลิคาร์สดานุภาพต่างๆด้วย ม, มโนมยิทธิคือฤทธิ์ทางจิตทางใจอย่างนี้ก็ได้นี่นี้พวกอริย ญ, ญาณหกนี่เราพูดถึงย่อๆมาประกอบกับ ธรรมของพระบะเจกับพุทธเจ้าเหมืพระบาเจกับพุทธเจ้านี่การเหาะเหินเดินอากาศไปไหนมาไหนคร่องตัวนี้เหมือนเหมือนกันทราบว่าอย่างนั้นส่วนพระอราหันต์ทั้งหลายนี้บางองค์ก็เหาะได้บางองค์ไม่ได้เช่นอภิญญาหกทงนี้บางองค์ก็ได้บางองค์ก็ไม่ได้แต่ถ้าจะไม่ได้เฉลยอย่างนี้ก็ไม่มีพระอรหันต์ต้องมีไม่มากก็น้อยหากมีเป็นแต่เพียงว่าไม่สมบูรณ์ ที่ไม่ควรเข้าขั้นของพวกเตวิชโชชลพิญูปฏิสัมพิธปัตโตะอัลำดับที่สามนั่นเรียก ว, ว่าแตกฉานทุกสิ่งทุกอย่างอัฏฐไปสัมพิธาแตกฉานในอัฏฐเนื้อความย่อๆให้พิจารณาได้หมดทัมาปฏิสัมพิธาพิจารณาแยกอัฏฐแยกธรรมได้ทุกสัดทุกส่วนทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียด ปฏิภาณเอาไปสัมปิธาการพูดการแนะนําสั่งสอนไม่มีอัดมีอันในคนทุกขั้นไม่ว่าคนจะเป็นคนขั้นไหนโง่ฉลาดขนาดไหนแหลงคมขนาดไหนอืจะ <ừ, S 1> เป็นภาษาใดก็ตามท่านสามารถสั่งสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่อกี่เรียว่าปฏิภาณเอาไปสัมปิธาเพื่อนอันนี้รูติไปสัมปิธาแตกฉานในคําพูดคำจารที่จะช้ให้ไพเราะเพาะเพลงกับสังคมนั่นนั้นไม่เคะเขินอะไรตรงนี ปริภาณรปสามภานั้นแตกฉานทั้งหัดทั้งทมทุกสิ่งทุกอย่างทร้อมูลไปหมดนี่พระอรหันต์มีทั้งสามสุ่สขวยิปัจจโกเป็นผู้รู้ทำความบริสุทธิ์ของตนให้หมดสิ่นไปจากที่เลสและเตวิชโชได้วิชาเป็นคุณสมบัติสามชราปิญโยได้อภิญญาคือความรู้พิเศษหประการเป็นคุณสมบัติระดับตน ปฏิอ่ะแล้วก็ปฏิภาณปฏิสัมพิทาแตกฉานในอาณาธรรมในคำพูดภาษาต่างๆได้สิ่ส่วนาพระพุทธเจ้า้าท่านก็ไม่แตกฉานในทางนี้การแนะนำสั่งสอนท่านไม่สนใจสั่งสอนใครแต่ท่านหักเหมาะเหินเดินอากาศได้อยู่ด้วยกันมีกี่ร้อยกี่สิบคนมีความสงบเรียบร้อยไปด้วยกันหมด การทะเลาะบบาแวงต่างๆการวิวาการทุ่มเชียงในแง่ต่างๆอย่างนี้ไม่มีในพระประเจธของพระพุทธเจ้าเลยไม่ปรากฏในสมัยใดๆตลอดถึงพระรหัตท่านเหล่านี้ไม่มีเพราะเป็นธรรมล้วนๆจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตไม่มีพิษเท่าเกลียวปนพอที่จะเข้าขรังนั้นออกครั้งนี้ให้เป็นแง่หนักแง่เบาเป็นการลาเอียงเช่นอย่างโพส อะไรเสนานหรออาตีสิ่งลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะทางลำเอียงเพราะกลุ่มเพราะลงอะไรเหล่านี้ท่านไม่หนิเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อจิตใจเป็นภัยต่อผู้ปฏิบัติธรรมเป็นภัยต่อธรรม บรรดาพระสาวกหรือพระรหัสรหรันยึดพระประกกบบฏิเจ้าจะมีจํานวนมากน้อยเพียงไรสิ่งเหล่านี้จึงไม่เข้าเกี่ยวข้องท่านใดเลยเพราะท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นพิษเป็นไทรในศาสนาคำคําั้งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสมัครสมานเป็นเครื่องโยงบรรดาสัตว์โลกให้มีความสนิทสนมกลมกลืนกัน ก็ไม่มีอันใดที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าสัตว์อยู่ได้อยู่ด้วยกันได้เพราะอํานาจแห่งความเป็นธรรมสัตว์ต่อสัตว์ก็ไมเป็นศัตรูกันเหมือนอย่างเราเลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านของเราวัวก็อยู่ในบ้านได้ควายอยู่ในบ้านได้หมาไก่เป็ดอยู่ในบ้านเราได้แมวอยู่ในบ้านเราได้เลี้ยงใส่กันได้สะดวกสบายไปหมดเพราะอํานาจของมนุษย์เป็นผู้ปกครอง ทำปกครองจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าผู้ใดมีธรรมผู้นั้นย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขย่อมมีความสม่นเสมอย่อมมีความมองเห็นท่านมองเห็นเรามองเห็นแง่หนักแง่เมามองเห็นความบีบเบี้ยงมองเห็นความสงบมองเห็นความแตกลาวมองเห็นทั้งโทษทั้งคุณแห่งความแตกลาวแห่งความสามัคคีมอง ดูทุกแง่ทุกมุมเมื่อการมองด้วยสติมองด้วยปัญญาอันมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดแล้วย่อมอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขไม่ว่าจะเป็นเพศใดวัยใดมาอยู่ด้วยกันมีความผาสุขเยิ้มเย็นด้วยกันเพราะอํานาจแห่งธรรมเข้าครอบหรือเข้าแทรกแซงในจิตหรือเข้าเป็นเครื่องชุ่มเย็นภายใจิต จิตย่อมปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่มองกันในเนี่ยต่างๆซึ่งเป็นภัยต่อตอนเองและเป็นภัยต่อผู้อื่นมองกัน้าว่าผิดพลาดก็มองกันด้วยความเมตตาสงสารพอแนะนำสั่งสอนได้ก็แนะนำหากไม่พอแนะนำสั่งสอนได้ก็นิ่งไปตามเหตุตามผลแต่เรื่องความอิจฉาพยาบาทนั้นระงับดับ ไว้ภายในจิตใจทันทีเพราะไม่ใช่ของดีที่จะมาอวดมาอ้างในสถานที่บุคคลซึ่งใครๆก็มาป่าทะนากันผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยทั้งแก่ตนเองก็ร้อนทั้งผู้ศลอื่นก็รับความกระทบกระเทือนไม่ใช่เป็นของดีนี่แหละอํานาจแห่งธรรมหรืออํานาจแห่งศาสนาเป็นสิ่งที่ชั้นล้างสิ่งโสโครกโสมมทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจกา ย, กายวาจา ของแต่ละคนคๆผู้สนใจในธรรมจึงเป็นผู้ควรเห็นโทษในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นและเห็นคุณค่าแห่งธรรมเห็นคุณค่าแห่งความสามัคคีเห็นคุณค่าแห่งความรักความเมตตาซึ่งเป็นธรรมล้วนๆว่าเป็นสิ่งที่ควรเติดทูนเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังลุกวรรักษาควรส่งเสริมสิ่งใดที่เป็นโทษผิดใดที่เป็นพิษต่อธรรมเหล่านี้ให้พยายามกําจัดปัดเตาสิ่งนั้น มันจะเกิดขึ้นที่จิตใจของตอนก่อนอื่นการระมัดระวังรักษาจิตใจอยู่เสมอด้วยสติย่อมจะทราบความคิดดีคิดชั่วของตอนที่แสดงออกมาในทางใดแง่อไใดอยู่เสมอนี่เรียกว่านักปฏิบัติดูตัวเองนี้เป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าดูคนอื่นใดวิทยาการที่แสดงออกมาดีหรือไม่ดีจะทราบภายในตัวเองสําหรับนักภาวนา ดูตัวนี้รู้ตัวนี้แล้วแก้กันที่ตรงนี้ถ้าต่างคนต่างดูตรงนี้ต่างคนต่างแก้ตรงนี้แล้วต่างคนก็ต่างระงับดับได้แล้วต่างคนก็ต่างอยู่ด้วยกันเป็นฐานศกหาความร้าวรานไม่ได้หาความแตกเล่วไม่ได้หาความทะเลาะบอกแล้งไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เสพที่เด่นและเป็นพิษภัยมากมายต่อมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งต่อนักปฏิบัติไม่สมควรจะใหน มีสิ่งอย่านี้มาเกี่ยวข้องภาน จ, จิตใจและผู้เกี่ยวข้องด้วยกันเลยในตามหลักธรรมของเบอร์เจ้าท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีธรรมภาน จ, จิตใจคําว่าพุทธบริษัทย่อมเป็นหมายถึงผู้มีธรรมจึงต้องเป็นผู้มีความรอบครอบ ข, อ บ, ขอบคิดในเรื่องของตนเองก่อนอื่นขณะจะคิดขณะจะพูดขณะจะทําอะไรก็ตามต้องเป็นผู้มีความรอบคอบขอบคิดในสิ่งเหล่านี้จึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตน เป็นผู้ระมัดระวังตนเป็นผู้เรียนเรื่องของตัวเองแล้วความรบมเย็นเป็นสุขก็คว่ำปรากฏขึ้นมาเพราะพิษภัยทั้งหลายเหล่านี้มันแสดงออกมาไม่ได้ถูกระงับดับเสียหรือถูกปราบตามมันอยู่เสมอเสมอถพรามีความรอมเย็นธรรมกิเลสย่อมเป็นเป็นภัยเสมอไม่ว่าจะเป็นประเภทใดมันก็เหมือนกับยาพิษผู้ปฏิบัติธรรมก็คือผู้ที่จะปราบตามกิเลสทั้งหลาย การส่งเสริมกิเลสก็คือการไม่รู้เท่าทันหรือเป็นนิสัยในการส่งเสริมกิเลสมาแล้วแม้จะว่ามาบําเพนธรรมก็เป็นการสังสมกิเลสอยู่โดยทางอ้อมโดยเจ้าตัวไม่รู้อยู่นั่นแหละเพราะนั้นการที่จะส่งเสริมการที่จะแก้กิเลสจึงต้องอาศัยสตยิอาศัยปัญญาอาศัยความระมัดระวังสังเกตสอดรู้อยู่ภายในจิตใจของตนยิ่งกว่าจะมองดูข้างนอก มเมื่อเป็นเช่นนั้นความกระเพื่อมของจิตจะกระเพื่อมออกมาในายแง่ใดถ้าเห็นว่าเป็นของไม่ดีจะเกี่ยวข้องกับใครก็ตามให้รีบระงับดับมันที่ตรงนั้นแล้วเราก็จะเห็นภัยแห่งความคิดไม่ดีของเราต่อไปก็รู้จุดของมันที่เกิดขึ้นมันจะงูหิดขึ้นมาก็ตามจะโกรธขึ้นมาก็ตามภายในจิตใจเราระงับดับมันได้ตรงที่จุดนั้นก็ผ า, าสุกเย็นใจ ที่ใจมันรุ่มร้อนก็เพราะสิ่งอย่านี้แทรกซึงคือความรุ่มร้อนได้แก่จิเดชมันแทรกซึมภายในจิตใจจิตใจก็เกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเหตุให้ลำบากสาคชาไปทุกอย่างทุกผลไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีประมาณเป็นไปได้ถ้าเราสูกเผลอใหม่การปฏิบัติธรรมจึงต้องเพื่อระงับดับสิ่งเหล่านี้เหตุธรรมะของพระเจ้าที่โลกทั้งหลายได้กราบไหวบูชาคือเป็นเครื่องสมัติสมาน ใครจะอยู่ในแห่งโหนตํบลใดก็ได้ก็ตามชาติชั้นบรรณะใดก็ตามเมื่อเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อเป็นผู้สนใจในอัตในธรรมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้มีความสนิทสนมคมคืนยิ่งกว่าเพื่อนธรรมดาทั่วไปก็อีกดังวันยะเรียกว่าญาติของพุทธศาสนานี้เป็นญาติที่ไว้ใจกันได้ามากมายก่ายก่อนชนะาตินาธรรม จึงเป็นเครื่องร่มเย็นดีเสมอโลกที่มีธรรมภายในจิตใจย่อมเป็นโลกที่มีความสงบสุขถ้าการใดสมัยใดโลกจะห่างเหินจากธรรมเรื่องระหองละแหงเรื่องรล่ารานต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นเกิด ข, ข, ขึ้นความทุกข์ความเดือดร้อนก็ยิ่งปรากฏเข้าโดยลาดับๆลับลังที่พูดง่ายๆอย่างเมืองไทยของเรานี่ยปกติแล้วคนไทยเราชอบความสงบ นักขาวจะชอบเติมชอบลาวยุ่งเยิงวุ่นมายุ่แยข่ขอบควรมตุกปั่นต่างๆดังที่เป็นดีอะไรนี้เพราะนิสัยของคนไทยเราเป็นนิสัยของชาวพุทธอยู่แล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาตั้งแต่ดึกดืันๆเคยถือพุทธศาสนาไม่ชอบจะเอาเรื่องเอาลาวกับใครๆทั้งนั้นมีแต่ความสงบร่้มเย็นใครอยู่ที่ไหนก่อชอบสงบอยู่แค่นั้นที้เวลา สิ่งที่เป็นพิษเป็นไทยมันแทรกสิงเข้ามาจากที่ต่างๆเพราะคนจํานวนมากมาผสมเสมรัฐที่ความรู้ความเห็นแตกต่างกันซึ่งไม่เคยมีศาสนา ภ, ภนานธใจจิตใจเลยก็มากและมีอํานาจมากมีความเฉลียวฉลาดในทางที่จะทําให้คนแตกเล่ามากโดยถือความดีในทางนั้นแต่นี่ก็พยายามผักดันกันมาผลักดันกันมารบายกันมาถ้แทรกสิงเข้าในเมืองไทยลรา ไปที่ไหนก็มีแต่ความยุ่ยแย่ขอควรตุกตุกปังต่างๆเลยยุ่งไปหมดเนนลวลา น, น, นี้แล้วอย่างวันสองวันนี้เราก็ทราบแล้วเป็นยังไงบ้างนะผลมันเป็นยังไงไม่ต้องระ บ, บุ ก, ก็พอทราบได้เป็นไปไหนยอย่างนี้เองคนถ้าลงหางเหินจากทำแล้วเป็นอย่างนี้น ถึงจเจาผ้าเหลืองมาครอบก็าาตามถ้าจิตใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เย็นเพราะมันผิดอยู่ที่การกระทำคืออยู่ที่ความคิดความเห็นของคนเราทราบได้อย่างชัดเจนในจิตใจของเราในขณะใดที่มีธรรมภายในจิตใจใจก็ร่มเย็นขณะใดที่มีความห่างเหินจากธรรมขณะนั้นมันก็รอ้อนพอพูดถึงความเกี่ยวโยงแล้ว ความห่างจากจริยธรรมมีแต่เรื่องที่จะร้าวรานมีแต่เรื่องที่จะก่อความวุ่นวายกันมากขึ้นผลของความก่อความวุ่นวายซึ่งกันและกันมากขึ้นอย่างไรความทุกข์ความเดือดร้อนทุกแห่งทุกผลต้องเป็นไปหมดในโลกทั้งโลกในหาโลกอยู่ไม่ได้มีแต่ฟืนแต่ไฟเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเหมือนกับโรคนี้ไม่มีราคาราคาคอะไ ร, รเลยเปมม็นปัจจัยธรรมจิตอนแล้วอยากตายไปเสียฉะนั้นก็มึ บางรายจะว่าไงเพื่อหาทางออกว่ามันจะดีกว่านี้ความจริงตายไปเสียมันก็ไม่ดีมันจะดีอะไรความตายถ้าหาว่าความตายดีใครก็อยากตายกันทั้งนั้นแ่ะแต่นี่ความตายไม่ดีถึงไม่หาทางออกในทางนั้นหาทางออกในทางที่ดียิงขึ้นเป็นทางที่ถูกอยู่ก็ดีตายก็ดีถ้าหาทางออกในทางที่ดีจะหาทางออกในทางที่ตายจะดีกว่าหรือฆ่าตัวตายจะดีกว่ามันก็ยิ่งเพิ่มเข้าไป เหมือนอย่างสถานที่ที่สกรปรกโสมอมอยู่แล้วอน้ําที่ส ก, สกรปรกล้างลงไปมันก็ยิ่งเพิ่มความสกรปรกมากขึ้นการที่จะทําสถานที่ที่สกรปรกโสมมให้มันสะอาดเพียงเก่านั้นต้องอาศัยน้ําที่สะอาดเข้าไปล้างเมื่อได้ล้างด้วยน้ําที่สะอาดแล้วสถานที่นั้นมันก็เพียงเก่าไปได้เจิต <c oughs> ใ, ใจของเรามันโส ม, มมด้วย ส, สิ่นสกรปรกโสโครตต่างๆต้องเอาอัดเอาทำเข้าไปชะไปล้าง เราจะเอาความโลภความโกรธความหลงความวิชชาพยาบาทอาฆาตจองเงยน็นเข้าไปชารล้างซึ่งจะเป็นการเพิ่มความโสมมหรือความทุกข์มากขึ้นในลําดับการล้างความโสโคร ก, ป ก, ปกภายใน จ, ใจิตใจภายในกายวาจารของเราต้องเอาอัดเอรทำซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดอยู่แล้วเข้าไปชาล้างทางกายทางจิตทางวาจารของเรามันก็กลายเป็นของสะอาดเป็น ต, ตามกันแม้แต่ผ้าที่โสโครกสม ม, ม, ส ม, มเมื่อได้ถูกชาล้างด้วยสิ่ง ด้วยน้ำที่สะอาดแล้วยังพอใช้พอสอยพอนุ่งพอหอ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสกปกเมื่อได้ชาล้างด้วยน้ําที่สะอาดแล้วย่อมใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง น, นั่นแหละทําเป็นของสะอาดให้พากันนำํำทำไปประพฤติธปฏิบัติอยู่ที่ไหนอย่าลืมพุทธโธธรรมโมสังโฆให้ระลึกสเสมอว่าพุทโธนั่นพระพุทธเจ้าเป็นคนเช่นใด ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาให้อภัยแก่สรว์โลกมากมายที่สุดไม่มีใครเสมอเหมือนก็คือพระพุทธเจ้านี่ผู้ให้อภัยที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าผู้เสียสละความสุขเพื่อโลกก็คือพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ก็คือพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดแหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้า คำว่าพุโทโธพุธโทโธจึงกลมกลืนไปหมดในพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าให้เรานึกน้อมนั่นเข้ามาสู่จิตใจของเราและเลืกอยู่เสมอพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็เป็นอันมากกลมกลืนกับคุณสมบัติเหล่านี้ด้วยคําว่าธรรมโมก็คือความสว่างกระจ่งแจง้แจงความอัศจรรย์แห่งธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสรู้ เลยลืฟื้นขึ้นมาประกาศแก่ซาประกาศเปศ็นศาสนธรรมให้แก่สัตว์ทั้หลายด้วยการไหว้บูชาเนี่ยก็คือถ้าทำมันประเสริฐเลิ่นโลกนั่นแหละเนี่ยธรรมโมธรรมโมให้ระลึกเสมออย่าลืมสังโฆก็คือท่านผู้บริสุทธิมุติพระนิพพานตามระเด็จพระพุทธเจ้าทันด้วยความสิ้นวิริยาะารระโดยประการทั้งปวงเป็นพระหน้าของพวกเราพวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธพอแม่เกิดขึ้นมานับถือพุทธซึ่งเป็นของถูกต้องดีงามลรวนแล้ว อย่าได้ปล่อยวางอย่าลึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆเสมอถึงเวลาจะหลับจะนอนก็ดีไปไหนมาไห น, นเวลาว่างๆนั่งรถนังน่งนาอย่าลืมพุโทโธนึกพุโทโธไปในขณะนั้นเป็นประโยชน์โดยลําดับดําดับดีกว่าแล้วนั่งคิดนูน่นมองนี่ถือน่นไปเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถึงเวลาที่เราจะทําการทํางานเราก็ทำํำพราะลึกได้ให้เราละลึกพุโทโธธรรมโมนี่เป็นของประเสริฐเลื่นโลกในโลกทั้งสามไม่ว่าอันใดทั้งหมด ไม่มีอันใดที่จะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นของประเสริฐนี้ได้จีงควรควร น, นึกน้อมภาในจิตใจของเราทั้งมีความเป็นอยู่ทั้งเป็นทั้งตายทั้งทุกข์ยากลำบากมั่งมีสีสุกง่ทฉลาดขนาดไหนอย่าลืมพุทโทธธรมโสังโคจะเป็นผู้มีคุณสมบัติประจำใจอยู่เสมอหนึ่งหลักธรรมที่กล่าวนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นาไปพิพพพพพจรารณา การแสดงธรรมก็เห็นอย่างสมขวดรู้สึกเหนื่อยเอาละ